ครูชิ้นลา ก, กลับไปนานแล้วแต่พระบวชใหม่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมกายสงบนิ่งหากสมองว้าวุ่นเพราะใช้ความคิดอย่างหนักท่านเริ่มจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อว่ากรรมนั้นมีผลมีวิบากดังที่โยมยายพร่ำสอนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วเลยอดไม่ได้ที่จะนึกไปถึงบาปกรรมที่ท่านทำไว้ สมัยเมื่อเป็นเด็กภาพเหตุการณ์ในครั้งอดีตปรากฏชัดแจ้งในห้วงความคิดตั้งแต่ภาพต้มเต่าตอนไก่ยิงนกตกปลาหักขานกหักคอนกขโมยเงินโยมยายซึ่งทุกเรื่องทุกตอนมีตัวท่านเป็นผู้ก่อกรรมทำเข็นโดยเฉพาะเรื่องตอนไก่ซึ่งท่านม่ได้ตอนเฉพาะไอ้โต้งของตาชุบเท่านั้น ด้วยว่าในเวลาต่อมาได้ไปตอนไก่ที่บ้านแม่จวนซึ่งทั้งเลามีอยู่ยี่สิบตัวท่านจับมันมาตอนหมดทุกตัวด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมันก็พากันตายยกเลา้าเป็นเหตุให้ท่านถูกโยมแม่อวยชัยให้พรไปหลายวันบาปกรรมเหล่านี้ท่านคงจะต้องชดใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เหตุการณ์ที่พบเห็นในวันนี้ทำให้ท่านรู้สึกสลดใจภาพที่หนังแป้งตีสุนัขจนตายและปัญหาที่ครูชิ้นต้องเผชิญในปัจจุบันอันเป็นผลพวงมาจากการกระทาของแกในครั้งอดีตเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ท่านต้องการติดตามผลอยากรู้ว่ากรรมจะมีผลมีวิบากจริงดังที่โยมยายสอนหรือไม่คิดได้ดังนี้ ท่านจึงลุกขึ้นไปหยิบสมุดมาจดบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกทั้งเรื่องของนางแป้งครูชิ้นและของตัวท่านเองซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ต้องจดบันทึกมากกว่าเรื่องของสองคนแรกรวมกันเสียอีกภิกษุหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแน่ ว, ว่าตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่สร้างกรรมทําเวรกับผู้ใดอีกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ส่งน้ำเสร็จพระเจริญกำลังจะทำวัดสวดมนต์ก็พอดีกับนายจำรัดขึ้นมาหาบนกุฏิหน้าตาท่าทางบอกว่ามีธุระร้อนเขากราบปลกปลกสามครั้งและล่ำาละลัก์ว่าหลุงพี่ช่วยผมด้วยนางมะลิแย่แล้วโยมมะลิเป็นอะไรไปละ่ะท่านถามอาคันตุกะนางมะลิคือพัญญานายจำรดซึ่งคนทั้งสอง เคยเป็นเพื่อนกับท่านสมัยยังเด็กท่านเคยแกล้งเด็กหญิงมะลิจนถูกนางเมาส์ตามด่าถึงบ้านแถมโยมยาอย่างเคี่ยนซ้ำเสีอีกมันคลอดลูกหมอตำแยเขาทำคลอดให้มันแต่ลูกออกมาแล้วท้องมันก็ยังไม่ยุบเสียงดังครืดครืดคลา ด, าดสงสัยจะมีเด็กอยู่ในนั้นอีกคนกระมังสามีนางมะลิเล่าสีหน้าบอกความกังวล แล้วหมอตําแเยเขาว่ายัางไงละ่ะเขาบอกว่าไม่มีเด็กอยู่ในนั้นหรอกที่ดังคลึกคลื่นกระขาดนะ่ะแสดงว่ามีลมอยู่ในท้องผมก็เลยนึกถึงหลวงพี่อาตมาไม่ใช่หมอในโยมจุกทําไมไม่ไปหาหมอให้ช่วยละ่ะท่านปฏิเสธอย่างนิ่มนวลใจสิครับเขาลืกกันว่าท่านเป็นหมอตําแยมือหนึ่งของตําบลบางม่วงหมู่เคยทําคลอดให้ลูกสาวปาจิตเมื่อหปีก่อนเป็นความจริงใช่ไหมครับ ช่วยผมหน่อยเถอะด้ว ก, กว่าสงสารนางมะลิมันยังไงก็นึกถึงความหลังสมัยที่เราเป็นเพื่อนกันนายจำรัดอ้อนวอนพร้อมเอ่ยถึงความหลังถ้าเช่นนั้นก็ต้องลองทำดูนะคงไม่มีอันตรายที่บ้านโยมมีเกลือกลับมาขามเปียกไหมท่านถามเพื่อนเก่ามีครับบ้านผมหรือบ้านใครๆก็มีทั้งนั้นนายจำรัดตอบเกินคาถาม งั้นก็ฟังนะให้เอามะขามเปียกปั้นโตโตมาสองปั้นเกลือเม็ดสองช้อนโต๊ะใส่น้ำฝนลงไปหนึ่งขันขยํมมามะขามเปียกกับเกลือและน้ำให้โยมมะลิดื่มสองชามเดี๋ยวก็หายจำได้หรือเปล่าละ่ะจำได้ครับมะขามเปียกสองปั้นเกลือสองช้อนน้ำฝนหนึ่งขัน นายจำรัดทบทวนนั่นแหละขย้ำให้เข้ากันแล้วให้โยมมะลิดื่มสองชามประเดี๋ยวก็รู้ผลรีบกลับไปทำตามที่อตมาบอกได้แล้วขอบคุณหลวงพี่มากครับเขากราบท่านสามครั้งและจึงรีบกลับมายังเรือนตนหลวงพี่ท่านวหวยังไงบ้าง หมอตำยตะโกนถามมาจากในเรือนเมื่อเห็นเจ้าของบ้านเดินรงเข้ามาท่านบอกให้เอามาขามเปียกขย้ำกับเกลือให้กินสองชามใส่น้ำฝนด้วยเขาบอกเออจริงข้าลืมสนิทเลยงั้นแกจัดการไปหามาเดี๋ยวข้าจะทำให้มันเองเขาจัดการทำตามที่หมอตำยสั่ง รันได้ดื่มน้ำมะขามเปียกกับเกลือเข้าไปสองชามนางมะลิก็รู้สึกปั่นปวนในท้องสักครู่ก็เกิดปวดอุจจาระอย่างแรงจึงบอกสามีว่าทิจุกช่วยพาฉันไปซ้วมหน่อยฉันปวดหนักนายจำรัด จ, จึงต้องอุ้มเมียสาวลงเรือนไปเพราะห้องสุขาอยู่ไกลจากตัวบ้านประมาณแปดวานางมะลิถ่ายของเสียออกมาจนหมดไสหมด รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นท้องที่โตกลับยุบลงออกจากส้วมแล้วนางบอกสามีว่าท้องยุบล ะ, ละที่จุกหลวงพี่ท่านเก่งจังเลยนะนี่ถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคงแย่นายจำรัดอุ้มเมียสาวกลับเข้าไปในเรือนตามเดิมหมอตำแยก่กำลังสารวนกับการจัดเรือนไฟเพื่อให้แม่ลูกอ่อนจะได้อยู่ไฟ ให้หมดลูกเข้าอู่โดยเร็วคนเป็นพ่อครั้งแรกในชีวิตเปิดกระโจมดูทารกเพศ ช, ชายที่นอนหลับสนิทอยู่บนเบาะในกระดง้งมีผ้าห่มปิดร่างกายมิดชิดเหลือแต่ดวงหน้าน้อยๆโผล่ออกมาลูกพ่อช่างรอแล้วเหมือนพ่อไม่มีผิดไว้เจ้าโตอีกหน่อยพ่อจะอุ้งไปหาหลุงลุงเจริญให้ท่านตั้งชื่อให้หน้าลูกนะ เย็นวันหนึ่งทิศศอนขับเกวียนมารับพระเจริญที่กุฏิเพื่อไปเยี่ยมโยมมารดาซึ่งกำลังป่วยแม่ให้ผมมานิมนต์ท่านไปเทศโปรดแกหน่อยและผมจะมาส่งก่อนคําทิดสอนบอกพระหนุ่มผู้ซึ่งมีศัก์เป็นน้องพัญญาตนถ้าเช่นนั้นขากลับอัตมา ข, ขอแวะบ้านโยมยายด้วยนะโยมพี่ท่านบอกพี่เคย ได้ครับหลวงพี่เขาบอกครูใหญ่ทิศสอนก็พาพระหนุ่มมาถึงบ้านแม่ยายซึ่งตัวเขาและครอบครัวได้อาศัยอยู่ด้วยนางจรวยหาน้ำมาประเคนแล้วสอนลูกชายไวสองขวบเศษให้กราบหลวงนะ้าพี่จำเรียงกับทิศพุทธเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี้เองประทุมกับประเทิงก็มาเยี่ยมยายด้วยหลนบอกพระน้องชาย แม่จวนเห็นพระลูกชายมาก็ดีใจรีบเปลี่ยนจากท่านอนเป็นลูกนั่งแล้วกราบพระหนุ่มสามครั้งโยมแม่ป่วยเป็นอะไรหรือจ๊ะท่านถามแม่จวนก็พวดเสียนเวียนกล่าวเหมือนเคยนั่นแหละสงสัยจะกลับบ้านเก่าตามเพีวเหรียญไปอีกคนละมั้งแม่จวนพูดปล ง, ปลง แม่อย่าพูดอย่างนั้นสิเกิดเป็นจริงๆข้าสงสารยายแก่ลูกสาวคนโตตายแกก็เสียใจพอแล้วถ้าลูกสาวคนเล็กมาตายอีกข้าว่ายายคงทรมานแย่นางจรวยบอกมารดาแม่จวนจึงพูดกับราเจริญว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะท่านแม่ทำศพให้ลูกก็มี ใช่ว่าเกิดก่อนจะต้องตายก่อนเสมอไปคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มีถมเถอย่างพี่เหรียญนี่ง่ายโยมเองจะดำเนินรอยตามแกะซะก็ไม่รู้พูดเป็นเชิงปรับทุกข์อย่าคิดอะไรมากเลยโยมแม่ทำใจให้สบายดีกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอาตมาอยากให้โยมแม่ ทำตัวสบายสบายเหมือนโยมยายจะได้อายุยืนในความรู้สึกของพระใหม่ท่านรู้ว่าโยมยายปลงอะไรอะไรได้มากกว่าโยมมารดาอาจเป็นเพราะโยมยายเข้าถึงธรรมนั่นเองทิดพองกลับจากซื้อยาที่ตลาดครั้นขึ้นเรือนมาพบพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบ ท่านมาตั้งแต่เมื่อไรครับเขาถามสักครู่เห็นจะได้โยมพ่อไปไหนมาหรือไปซื้ อ, อยาให้โยมแม่เขาท่านช่วยเทศปโปรดหน่อยเถอะโยมนะ่ะจนปัญญาแล้วทิดพองฟ้องไกลๆอัตมมาว่าส่งโยมแม่ไปอยู่กับโยมยายน่าจะดี ให้โยมยายช่วยเทศแทนเพื่อโยมแม่จะได้หายคิดมากพระลูกชายแนะนำเออนี่นะแม่จวนพูดถึงเรื่องนี้ฉันมีเรื่องจะปรึกษากับแม่จวนสักหน่อยเมื่อกี้ฉันฟังเขาพูดกันที่ตลาดเขาว่าหมูนี้เสื้อชุมเหลือเกินปล้นกันไม่เว้นแต่และวันตอนนี้แพร่กระจายเข้ามาถึงตาบลบางม่งหมูแล้ว เราหาทางย้ายไปอยู่ตลาดปากบางกันดีไหมไปหาซื้อห้องแถวอยู่สักพักโจรผู้ร้ายสงบเมื่อไรขอ ย, ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมตามใจคุณก็แล้วกันแล้วแม่ล่ะจะทิ้งแกไว้ที่บางม่วงหมูนี่หรือแม่จวนห่วงมันดาเมื่อพูดกับสามีแม่จวนจะเรียกเขาว่าคุณด้วยรู้ว่าเขามีเชื้อสายเป็นถึงลูกคุณน้ำขุนนางจึงไม่ใช้แก่ข้า เหมือนที่ชาว บ, บ้านเขาพูดกันก็ต้องพาไปด้วยสิจะทิ้งไว้ได้ยังไงฉันคิดว่าให้อยู่ด้วยกับเรานั่นแหละฉันตั้งใจจะซื้อห้องแถวสักสองห้องห้องหนึ่งให้เจ้ารวยกับทิดซ้อนอยู่แล้วก็สำหรับไว้เครื่องดนตรีด้วยส่วนอีกห้องก็มีแม่นั่งจำแรงฉันแม่จวนและเมื่อท่านศึกก็จะได้มาอยู่ด้วยกัน เขาพูดกับพระลูกชายด้วยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะคุณพัญญาถามก็เพราะอย่างนี้นะสิฉันถึงต้องปรึกษากับแม่จวนถ้าเราขายบ้านเก่าไปซื้อใหม่ก็คงไม่สู้ ก, กะไรนะักแต่นี่บ้านเก่าจะเก็บไว้บ้านใหม่ก็จะซื้อเลยต้องมาคิดกันว่าจะทำยังไงเห็นจะต้องเอาสมบัติเก่าออกขายกระมัง เอาอย่างนี้สิโยมแม่ท้องที่อาต ม, มาฝากไว้อาต ม, มายกให้โยมแม่นำไปขายเอาเงินมาซื้อห้องแถวนาจะพอพระเจริญบอกมารดาจะดีหรือมันเป็นสมบัติของท่านนะโยมอยากให้ท่านเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าไปมีครอบครัวจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลาน จวนออกความเห็นไม่เป็นไรหรอกโยมแม่ถึงเวลานั้นอาตมาค่อยหาเอาใหม่ท่านไม่บอกหรอกว่ายังมีทองที่ยักยอกมาจากป้าเหรียญอีก32บาทแต่เช่นนั้นเราซื้อในชื่อของท่านก็แล้วกันไม่จวนว่าดีไหมดียุติธรรมดีเงินของท่านก็ควรจะเป็นชื่อท่าน เราจะได้ไม่กระดากใจว่ามาเบียดเบียนลูกแม่จวนเห็นด้วยกับสามีถ้าเช่นนั้นโยมพ่อก็ไปจัดการเลยอาตมามอบอำนาจให้ทุกอย่างประเดี๋ยวขากลับอาตมาจะแวะเยี่ยมโยมยายจะได้บอกเรื่องนี้ให้ทราบถ้าโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอาตมาก็เห็นจะต้องกลับเสถิี นิมนต์เถิดครับท่านโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากเขาก็สามวันดีสี่วันไข้ทั้งไปนั่นแหละทิดพองบอกพระลูกชายอาตมาว่าเป็นที่จิตใจต่างหาโยมแม่ชอบคิดมากก็เลยวิตกกังวลเมื่อใจไม่สบายก็มีผลต่อร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อย พออยู่กับโยมยายก็คงจะดีขึ้นท่านคาดหวังโยมเองก็หวังอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะพลอยอายุยืนตามโยมยายหรือว่าจะไปทำให้โยมยายอายุสั้นตามโยมกันแน่แม่จวนยังไม่คลายกังวลทิดทองจึงพูดตัดบทว่า เอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีฉันว่าแมจวนอย่าปริวิตตกไปก่อนเลยนะทำใจให้สบายอย่างที่พระท่านบอกดีกว่านางจโรยกำลังอาบน้ำให้ลูกชายครั้นเห็นพระเจริญเตรียมตัวกลับจึงตะโกนลงไปบอกสามีซึ่งกำลังจักตอกอยู่ใต้ถุนเรือนท่ศรลุงพี่ท่านจะกลับแล้วได้ยินพัญญา บ, บอกเช่นนั้น ทิศสอนจึงละมือจากการจักตอกเดินไปจูงวัวสองตัวมาเทียมเกวียนเห็นพระหลานชายเดินขึ้นบันไดามายายดีใจจนแทบจะวิ่งออกมาต้อนรับ แต่ไวและสังขารไม่อำนวยจึงต้องส่งเสียงมาแทนนิมนข้างไหนเลยทันโถโอุส์ไม่เยี่ยมขนแก่ขนเทาเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยยายก็ก้มลงกราบเป็นจังค้าประดิษฐ์สามครั้งเสร็จแล้วจึงร้องเรียกหลานสาวจำแหลงเอ้ยทำอะไรอยู่ หาน้ำหาท่ามาถวายหลวงพี่หน่อยเอามาให้ทิศสอนด้วยยายเรียกหลานเขยว่าทิศสอนตามลูกหลานท่านไปยังไงมายังไงถึงได้มาเยี่ยมโยมละเนี่ยยายถามโยมพี่เขามารับอาตมาไปเยี่ยมไข้ยโยมแม่อาตมาก็เลยแวะเยี่ยมโยมยายด้วย พระหลานชายบอกแล้วแม่จวนเป็นยังไงบ้างยายถามถึงลูกสาวคนเล็กก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกยมยายโรคคิดมากนั่นแหละอีกหน่อยได้มาอยู่กับยมยายก็คงหายยมพ่อจะย้ายบ้านไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนีโจรผู้ร้ายเห็นว่าปล้นกันแทบทุกวันจะพายยมยายไปอยู่ด้วย ท่านบอกกล่าวดีเหมือนกันยิ่งทันใหม่อยู่โยมกอดใจขอใหม่ค่อยดีอยู่กันแต่ผู้หญิงไม่น่าวางใจนักไปอยู่ตลาดปากบางจะได้ไม่ต้องหวงยายพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยใครจะไปอยู่ตลาดปากบางหรือยาย นางสาวจำแรงยกน้ำมาประเคนพระน้องชายและได้ยินที่ยายพูดข้านี่แหละยายตอบอ้าวแล้วจำแลงจะอยู่กับใครละใะยายจ๋าหลานสาวทำเสียงหวานอยู่กับนงางด่างกับนางดำนะสิยายแกล้งประชดแล้วใครจะหุงข้าวให้ยายกินละจ๊ะเดี๋ยวหลานค่ะ สึกออกมาเขาก็หุงให้ขากินได้เอ็งอย่าห่วงเลยข้าจะย้ายกดต่อเมือ่อหลานข้าศึกแล้วโยมพี่ยังดื่มเหล้าอยู่หรือเปล่าพระใหม่ถามพี่สาวยายเป็นคนตอบแทนว่าทำไมจะไม่ดื่มล่ะทันมันบอกยอมตายซะยังดีกว่าให้อดเหล้า ยายหว่าจนไม่รู้จะหว่ายังไงแล้วกรรมใครก็กรรมมันนะท่านนะมันอยากจะตายอย่างอิหมาป่าของมันก็ชังปรไรยายหมายถึงนางเหรียญลูกสาวคนโตที่ยายสงสารแกมสังเวชจะกินเหล้าหรือไม่กินมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละยายนางสาวจำแลงพูดตัดบท